เป็นมวนที่สี่ต่อจากมวนที่สามสามลำดับก็ตั้งใจฟังต่อไปจะย้อนกล่าวปันศาที่แปดที่จำพรรษาอยู่ทัําพวงนี้เพื่อให้ประวัตินี้บริบุรและเมื่อผู้ฟังแล้วให้น้อมนำไปพิจารณาออกเองในพันศาที่แปดระหว่างกลางวันเมื่อ ฉันจังหันเสร็จแล้วก็ทำคำาพากคำเพียนมีดนิคมพอประมาณแล้วถึงเวลาพักก่อนก็เข้าพักก่อนนอนกลางวันก็อนอนไประหว่างหลับตั้งไปหลับบ้างอยู่ในช่งก่างระหว่างหลับและไม่หลับปราศราายังลืมตาอยู่แต่จิตสงบจิตนั่นสงบนิ่งไม่พุ่งการอะไรตาปรา่าายันเล็งลืมตา ในขณะนั้นเองว่ากดภาพนิมดมยักษ์ใหญ่ตัวหนึ่งเข้ามามาจะขอกินดีคือกินดีของข่าไปเจ้าแกว่าแกอยากกินดีของข่าไปเจ้าข้าไปเจ้านอนอยู่แกก็เลยมากดมือไว้กดขาวไหวข้าไปเจ้าก็เลยประกาศอายักษ์สาวะ หีของขาดไปเจ้าไม่มียับไปเลยบอกว่าต้องมีสิคนไม่มีดีมันไม่มีหรอกมันจะมีดีทุกคนคือมีดีทุกคนนั่นเองเพราะว่าอย่างนั้นยับก็มีปล้าพ้องและปล้าออกของขาดไปเจ้าออกต้นปล้าหาดีหาดีาาก่ไม่เห็นต้นปล้าเทไร่เทไร่ก็ไม่เห็นนี่ปรากฏในจิต เมื่อยักษ์ต้นกว่าหาดีมาเห็นแกก็เลยออกปากว่าแม้พระอมนี่ไม่มีดีเวยดีพระอมนี่ไม่มีแล้วแกก็กระตุกให้ดีเชิ่นเดิมจากนั้นข้าพเจ้าก็ตืน่นจากในเ็ตนั้นแล้วมาคุจนาเรื่องเราที่เป็นว่ายักมาหาดีของข้าพเจ้าได้ออมนี ไหวและควักท้องออกคักหอบออกชอบคนหาดีหาดีก็ไม่เห็นตกลงกล็เลยหนีไม่ได้จริงดีของกาเจ้ามาพิจารณาเรื่องนี้นที่เป็นคำว่าดีมีสองชนิดคนเราอดีมีปักอย่างหนึ่งดีไม่มีปักอย่างหนึ่ง ดีไม่มีฝักนี้เป็นดีที่ศักดิ์สัทธ์ทั่วไปส่วนดีมีฝักนี้อาจจะอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของระหวา่างตับการตำราข่นานกล่าวว่าพวกดีที่มีปักนี้ชอบจะเป็นโรคเนื้อกันโดยมากหรือโรคเบาหวานนี่ส่วนพวกดีไม่มีฝักที่ไม่ดีศักดิ์สิทธิอยู่ทัวทั้งปามร่างกายนั้นไม่ใช้เป็นโรคนืน้พวกนี้นี่อาจจะเป็น อย่างนี้ก็ได้หรืออย่างไรฝ้าเจ้าก็ไม่ฝ่าหรืออย่างนไรคำบัตินี้มีเป้าหมายฝ่ามัดต้นป้าหาดวงจิตดงวงวิญญาณต้องข้าไปเจ้าก็อาจเป็นได้แต่ว่าดวงจิตดงวงวิญญาณของเราในขณะนั้นมันสงบเยืกอกเย็นยับบนฝ้าหาไม่เห็นเพราะยับมีดวงจิตดงวงวิญญาณอันหยาบชา้าไม่ละเอียด อย่างนี้ก็อาจเป็นได้จึงไม่เห็นัดหรืออย่างใดเพราะท่านผู้ฟังและผู้อ่านทั้งหลายโปรดนำไปพิจารณาเองอาบิเจ้าไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์จึง้พรรษาที่แปดต่อจากนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วจดจิตการงานทางส น, นับก็เลยพากั น, นมัจกาลนํำลาลงถูกข่าว อ, น, ะะอนาระโยอนาระโยออกที่ไต่ตัน สถานที่ต่างๆเรือนขเจ้ากับพระพวกอีสององได้เดินทางจากอำเภอสว่างบุดอนไปอำเภอหนองบัวและอำเภอฝืออำเภอสังการได้มาได้เข้าไปรักเย้อาศัยกับ้นพระอาจารย์ละพระอาจารย์ละองค์นี้สําคัญมากท่านดูยิ้มเยตองเดียว อาศัยพวกชาวป่าชาวดอยชาวไร่สามครอบครัวที่อยู่บนหลังคูผานอำเภอระว่างอำเภอถือกับอำเภอเสียงคานต่อกันแต่ก็เป็นดินของอำเภอถือนั่นเอง <c oughs> ท่านจำพรรษาวิเอกอยู่ที่นั่นสายปีประวัติท่านอาจารย์ล่านี้กำเนิดของท่านเกิดอยู่ประเทศลาว เบีย่ยงจันเป็นคนลาวแล้วท่านก็นมีครอบครัวต่อมาลูกเมียของท่านอาปป ล, าลูกเมียของท่านก็มาละภาพที่ท่านกดจิตอยากจะบวดเลยออกบวชมาบวชธรรมยุทธ์ที่ประเทศไทยคันบวชแล้วเลยติดตามท่านพระอาจารย์เสากัักพิโรเมืองบนไปเป็นผู้อยู่ใกล้จิ์ปุทธทาส ทาาาา่ า, า, า, า, า, า, า, า, ทานพระอาจารย์เส า, ะนะาพระจาอุปถัมภ์อาจารย์เสาอยู่เก้าปีคือเปัาษาเมื่อท่านพระอาจารย์เสามรณภาพแล้วพระอาจารย์ล่าได้รับโอวาทคําำเตือนจากพระอาจารย์เสาตามที่ท่านเล่าให้ฟังว่าทานน่านล่าท่านต้องไปอยู่องเดียวอย่าอยู่ปักตนกับโมงนะให้ไปหายเหวภพนาอยู่องเดียว สำหรับนิสัยของท่านชอบอยู่องค์เดียวนี่ท่านเล่าให้ฟังทัานจะละเล่าให้ฟังฉะนั้นเมื่อท่านพระจานทร์เสามรณะภาพแล้วท่านละละจึงหาลบลิคือตัวอยู่เฉพาะองค์เดียวองค์เดียวในสถานที่ต่างๆแว้วอำเภอถือบางอำเภอหนองบัวแหละอำเภอท่าบ่อบังระยะ ที่ข้าพเจ้าไปอาศัยนั่นท่านเดินหลังภูการอาศัยชาวไรสามปอบตัวอยู่นั่นเมื่อข้าพเจ้าไปอาศัยอยู่นั่นประมาณหนึ่งเดือนศึกษาธรรมะสองท่านฟังเทศสองท่านและท่านเล่าให้ฟังว่าผมไม่เคยเรียนหนังสือไทยเลยเกิดมาไม่เคยเรียนหนังสือไทยเพราะผมอยู่ประเทศลา ตาไปเจ้าเลยถามบ่าอ่านอาจารย์ไม่ได้เรียนหนังสือไทยทำไมอ่านได้เขียนได้นี่อาานก็เลยบอกว่าที่ผมอ่านหนังสือไทยได้เขียนหนังสือไทยได้นั้นเวลาผมนั่งภาวนาไปจิตมันสงบตากดภาพชีนิตหนังสือไทยเขียนอยู่ในกระดานดำทุกครั้งทุกครั้งผมก็เลยเรียนหนังสือไทย ในภาวนานั่นเองในกระดานดำที่ขณะนั่งภาวนานด่นทุกวันทุกวันก็เลยอ่านได้เขียนได้จนบัดนี้ผมก็อ่านหนังสือใช้ต่องเขียนได้อ่านได้สบายไม่มีติดขัดเลยนี่สั้นเล่าให้ฟังเรื่องของท่านพระอาจารย์นาผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อสุดฤาษี เพราะเรื่องเป็นมาแล้วและเล้าและก็เป็นจริงอีกด้วยเมื่อพักการเรียกอาศัยท่านพระอาจารย์ล่าอยู่ประมาณหนึ่งเดือนแล้วป็นมรดการลาท่านออกไปหาเจียวเวกเดินทางออกไปปานทางอำเภอท่าบอ่ออะไลหนองคายแล้วก็ลงเรือ ล่องตามแม่น้ำผงที่อำเภอคนทิศไปและก็มาขึ้นเรือที่อำเภอบึงการจังหวัดน้องคายกับมูอีสามองค์สี่กับพราปิจักและก็มุ่งหน้าแดิน่างมาที่ปูสิงและปัวเมื่อมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งกำหมดเวลาก็อดีตื่นเช้า ก็เลยไม่ได้ข้ายิ้เย้ยทางปูสิงห์ุนงวกเลยเดินผ่านไปอ่าอำเภอเซอกาอำเภอบ้านแปงและอำเภอท่าบ่อสีสงครามไปขึ้นรถชี่อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครอ่านนครพ น, น, น, น, น, พนมลงไปเจดเมืองบนราชธานีขี่รถไปลงรวงาบ้าน นาถืออำเภออำอนาดเจริญแล้วก็ลงรถที่นั้นก็เดินมุ่งหน้าเข้าไปสู่ภูขเขาแห่งนั้นเพื่อเที่ยวเล่ยอันนี้เป็นเดิอนกรกฎาคมใจจกล้จกเข้าพรษาแล้วไปพักที่ยกอยู่ที่ถ้ำภูบันบันคมเคือเมื่อไปถึง ตัามภูบันเึิงเกล้วก้ากันตักุเวกจันั้นเจ็ดวันเกิด อ, อาการป่วยหนักเมื่อหายป่วยแล้วก้ากันออกจากตํานั้นเดินทางมุ่งหน้าเข้าไปสู่จุดดงมรีอำเภอจริงสนอ ม, มานสมัยนั้นยังไม่เป็นจริงยังเป็นบ้านซาโน ม, มานซึ่งอำเภอมุกดาหารใครจะเข้าพารรษาจึงกปถึงครูสะกด และให้ญาติโยมปรับปรุงเตลณาสนะพอได้อาศัยฟ้าฝนจำพัรษาญาติโยมก็มีศรัทธาปรับปรุงให้สองหลังเพราะพระมีสององม์ตอนนั้นห่างจากบ้านประมาณหนึ่งกิโลที่นั้นเป็นที่สงบสงัดดูที่ภูสะโกดบ้านหนองเมษน้ามนล์นํำเภอมุกดาหารสมัยนั้นเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอช น, น ม, มานจังหวัดนครพนม จำพรนษาที่นั้นที่นั้นแปลกเหมือนกันได้อาคันธรามความภาคุณเทียนจนเต็มความสมาถในพรรานั้นเพราะที่นั้นสงบสงัดดีอากาศดีลมไม้ดีน้ำก็บริบุญในพรรานั้นเจ้าคุณเจ้าสานเขามาบอกนาิมนิตฐความฝันว่าให้าพาไปเจ้าไปเอาพระพุทโ ธ, ธที่อยู่ต่้ม สักโสดมีจำนวนเจ็ดองมาบอกขึ้นทีแรเกเข้าความฝันข้นาพเจ้าขอบไม่เชื่อไม่ไปขึ้นทีสองมาบอกอีข้าพเจ้าก็ยังไม่ไปขึ้นทีสามมาบอกอีกข้าเจ้าก็เลยถามญาติยมและพระเนีนดูในวัดบ้านว่ามีจริงหรือไม่ถ้าว่ามีจริงรู้จักที่ดูไหมเนียน วัดบ้านว่าผมรู้จักครับอาจมันพาเราไปได้ไหมเนียนบอกได้ครับแต่ว่าผมไม่เอานะให้่านอาจารย์เอาผมกลัวผีนี่เนียนว่าเออไม่เป็นไรข้าไปเจ้าเนียนจะเลยพาไปขันพาไปถึงท่านนั้นเน้ยนจะขี้บอกนี่แหละข้าเจ้าดูเนียนเกาเอาก้อนหินปิดไว้ข้าเจ้าเลยดึงก้อนหินนั่งก้อนหินนั่นออก มองก็ไปเห็นพัะพุทธรูปเจ็ดองนอนเรียงกันอยู่ข้าพเจ้าก็เลยช่วงมือก็ไปออกมาพระพุทธรูปทองตั้งนั้นขนาดนิ้วมีอ่านิ้วแนมือทุกๆองค์ข้าพเจ้าก็เอามาสักระเบือาที่วัดเมื่อพรษาแล้วข้าพเจ้าก็สั่งยมให้เอาไปไว้ที่เดิมข้าพเจ้าใหม่ถกอเอาไปด้วย แต่ปัจจุบันนี้จะยังอยู่หรือไม่ใหม่สราบและขณะที่จำพรรษาอาโยภูสะโปดซึ่งเป็นท่านศาที่เก่านั่นแหละก็เกิดมิตรที่ปรากฏว่าพวกเจ้าที่เจ้าตานเจ้าขีเชียงตุนลงมาเยี่ยมและกระบอกขีมุกดาหารตรงนี้ว่าให้รักษาพระองค์นี้จะ ราวียาเบียดเบียนพระองค์นี่นะทีนี้เสียงตรงสั่งสีดรงมืองอีให้รักษากาไปจับนะดังนี้มีปรากฏในนิมิตความฝันจากเป็นเปอย่างไรขอผู้ฟังจงพีจนะเาเองมีเล่าเรื่องตามนิมิตความปันแล้วผีดรงมงอีได้รับคำบอกของสี ยังสูงดังนั้นขอขว่าจะรับปฏิบัติรักษาคุ้มครองไว้ไม่ให้มีอันตรายและข้าพเจ้าอยู่ที่นั้นต็อไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีการเจ็บป่วยไข้ได้พยาธอะไรอยู่สบายสบา ย, ส, บายสีเดียวมเมื่อออกพรรษาแล้วมาก็พากันเที่ยววิกตามสมณะ วิสัยของพระพุลงกรรมฐานาเดกแล้วก็เดินมุ่งหน้าขึ้นไปสู่จังหวัดสกลนครเมื่อถึงอำเภอสว่างได้ยินข่าวว่าท่านหลวงปู่ขาวอนารโยได้ไปอยู่ข้อมพ่อจงหลุกไวหว้หุเพียนกระลยป้ากันเดินขึ้นไปนมัสการท่านท่านไปอยู่นั้นจำัญษาอยู่ที่นั้นหนึง่งัญษาแล้ว ไกลจากหมู่บ้านมากประมาณสามร้อยึ้นอาศัยพวกแมช่ชีไปทําู๊ะสบายข่านและพวกชาวบ้านก็ทยอยส่งเรียงอาหารกันเรื่อยไปอยู่อาศัยขัน้นในทาพ้อนั้นประมาณสัองเดือนในคําพ้อนี้มีเวกดีมีท่านดีแต่ห่างหมู่บ้านมากและท่านพระ อาจารย์อยู่ห้องปูขาท่านเราว่าเมื่อมาอยู่ขั้งแรกในคำข้อนี้นะคำข้อนี้เป็นคำงูงใหญ่ท่านว่าถ้าที่ท่านอยู่เป็นงูลึกลงไปในพื้นเขาแต่จะลึกเท่าไรไม่ทราบท่านไปนั่งภาวนาอยู่ปากถ้ำวันหนึ่งมีงูงเลื้อยออกมาจากถ้ำ ม, มาใกล้ๆที่กับขาของท่าน ท่านเลืมตาดูหสืงูใหญ่ขนาดเลยนะเท่ากันกับขาคนดำพลิกตีแรกท่านบาทท่านตูจนตัวแขนและมูนั้นเมื่อมาถึงท่านมันก็นิ่งอยู่เหยียดตัวอยู่อย่างนั้นเมื่อการไดสติ ท, ตท่นานก็พิจารณากำหนดความตายและแต่เมตตา งูนั่นก็เลยเลือยไปตามภาษาของสัตว์นะนี่ท่านเราวตังในขณะที่ท่านอยู่ทัมขพ่อนั้นพอท่านไปนั่นเงเวลางูมันออกหายินงและที่ทั้ขพ่อนั้นในบริเวณทั้งพ่อเป็นดงมีสัตว์ป่ามีช้างมีเสือมากทีเดียวในสมัยนั้นแต่เดี๋ยวนี้อาจจะเตียนกันไปหมดแล้ว และในอานใสยอยู่กับ่ันประมาณสองเดือนก็ตากันนากการมจักรลาหลวงปู่เก่าออกเลกเพราะเห็นว่าที่นั่นทอยู่ด้วยกันมากก็จะลำบากในการกดสันเพราะไม่มีหมู่บ้านเ็นสบาดจึงได้ออกจากท่านไปหาเจอเเยกในสิงต่างนระยะนี้ไปกับท่านพระอาจารย์คำบุธรรมตัโรห์หนาเดินทาง ออกจากตำบลจะไปเขตอำเภอวนอนรองหน้าไปสู่หลงมอดทองซึ่งเป็นอำเภอวนนองเป็นดินของอำเภอวนนรองนี้เป็นดินของอำเภอบ้านม่วงเมวลาไปถึงดินทรายหลงมอดทองแล้วก็อากันเข้าไปไปอาศัยหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสามหลังคาเรือนซึ่งเขาอบก็ยก ไปอยู่ใหม่เป็นคนจังหวัดยะโสธรแล้ะอาศัยเขาอยู่ที่นั่นพวกญาติยมสามหลังคาเรือนนั่นเขาก็มีศรัทธาดีมากเขาก็จัดการตะัดะเบเสนาสนะให้อยู่คนลหลังหลังไปในระหว่างนั้นเป็นเดือนมิถุนายนหรือเดือนเจ็ดที่นี้อยู่ไปวันหนึ่ง เป็นเวลาตีสามตอนกลางคื น, นบ่ายสามกำลังนอนดีนอนยังไม่ตื่นวันนั้นมีกุ่มสามกุ่มใหญ่กุ่มหนึ่งเพราะดงมาทองเป็นดงหนาป่าทึบเป็นดงใหญ่มีสัตว์ป่านานาชนิดมีช้างมีเสือมีหมีมากอ่าและช้างกุมนั้นมันตรงามาหาสุธิกระท้อมตองฆัา เมื่อเขามาใกล้กระ่อมพระช้างตัวทวนตัวหัวหน้ามันก็เลยบังคับมูให้หลีกออกจากกระท่อมของพระให้งูช้างที่เป็นบริวารหลีกออกนี้เข้าไปลงส่วนตัวหัวหน้าใหญ่มันตรงขมาหากระถอมพระยังไม่ถึงกระถอมพระประมาณสัสิบกว่าเมตร ทางให่ตอนนั้นเลยยืนอยู่มันก็ทำอาการปูกำรามด้วยประกา ร, กรตา่างๆทำเสียงกระดึกกรึงกกรกถ้าพระเจ้าเตือนขาก็รู้ว่าช้างไม่ได้สติเคยเกิดกลามกลัวผลปองสุยองเก่าขำหดใจหดใจวิวใจกลัวหือใจไหลย่อย ตัวจนตัวสั่นเหมือนผีเจ้าเข้าสมทีเดียวรบกันจุดกลมจับกลมไปแล้วไม่ผิดก็สั่น่าแล้วจุดกมไปเสร็จแล้วก็เดินออกมาข้างนอกก็ยังสั่นอยู่คิดบ่าจะกระโดดขึ้นต้นไม้สติไม่มีเลยมีแต่ความกลัวอย่างเดียวทีนี้คิดไปคิดมาใจหนึ่งเลยคิดกันว่าเอ้ย เธอเป็นกรรมฐานเธอจะไปกลัวทำไมช้างช้างมันไม่กลัวเรานี่เราจะไปกลัวทำไมเราเป็นพระทุดงกรรมฐานนี่เป็นผู้เสียสละในชีวิตแล้วนิจใจเลยจึงออกเดินทุดงกรรมฐานนะช้างมันไม่กลัวเราเราจะไปกลัวชา้างทำไมเรานี่เป็นมนุษย์และก็เป็นพระอีกด้วยช้างมันเป็นสัตว์เรานี่ไปกลัวช้างช้างมไม่กลัวเรา เรามันชั่วกลัวช้างเอกจีด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่าเกสุผู้เกิดคว้องตัวไปอยู่ป่าก็ะดีเรือนว่างกรดีป่าช้าก็ะดีป่าชัดที่ไหนไหนกด็ดีเมื่อเกิดคว้องตัวขนทางสยองเก้าอันใดมีก็ ท, ท่านหลายจนเราลึกถึงเราคือพ ร, ระพุทธพระคุณพระธรรมคุณสักรคุณเมื่อระลึกถึงเราอย่างนี้เราลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณทั้งคุณอย่างนี้อ่าความกลัว ผลฟองสยอมเก้าอันไรมีอันนั้นจะหายไปทางนั้นท่านเดืมหรือยังนะท่านจำได้ไหพระพุทธเจ้าเป็นนักเสือสระเนี่ยขนะอระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณทั้งคุณความกลัวผลฟองสยอเก้าก็หายไปในขณะนั้นข้าพุทเจ้าก็เลยเข้าไปนั่งอยู่ในปอดในมุ่งถือกนาซึ่งความานะตายนะฝากตายโต พิจารณาซึงความตายว่าตัวก็ตายไม่กลัวก็ตายผู้กลัวมันไม่ตายผู้ไม่กลัวมันตายหรือคาอดกาันเหนื่กับอะไรพิจารณาอย่างนี้ดูที่ไหนก็ต้องตายอ่าความตายอันกระไคยดีเยินนะการพ้นไปมไม่ได้เลยตายด้วยเหตุประการใดก็แล้วแต่ท่านตรงๆเสียถึงความตายอย่าไปหวงชีวิตอืมพอพิจารณาความตายอย่างนั้น จิตมันค่อยหายความกลัวลดปริมาณความกลัวลงเรื่อยๆค่อยสงบสงบไปจนความกลัวหายไปจากก่อนตายคือจนกลัว า, ายหายเลยทีเดียวไม่มีความกลัวตใจส่เหลือและข้านแข็นอยู่ในจิตทานก็ไมก่กลัวอีกเมื่อความกลัวตายหายไปแล้วจิตค่อยสงบเพือกเย็นลงไปลงไปอ่าหมดความกลัวจากความตาย จิตก็สบายเยือกเย็นเห็นจิตที่กล้าหาญไม่สะทกสะท้านเลยพิจารณาอาชานรสินะอาชาช่างคนนี้มันอยู่อย่างไรลเลยเข่งจิตที่สมุกนั่นแหละไปหาช้างเห็นช้างอยู่ๆในกาคนงคืนก็แข่งจิตถึงช่างเห็นช่างเขานั้นช้างกเลยล้อมบันใหญ่เลยอ่าเหมือนกับกคนฆ่าคนตีมัน รองอ่ะครัไปใหญ่เลยยิ่งเข้าป่าเลยท้านตัวนั้นร้างใหญ่ตัวนั้นเงียบตั้งแต่วันนั้นมาไม่เห็นมีช้างผุงและสร้างตัวใดตัวหนึ่งผ่านมาในแถวนั้นเลยในแถบนั้นไม่ปรากฏดังนั้นจะเป็นด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบเมื่อเวลาใกล้จะเข้าวันตรท่านพระอาจารย์คำรุ้ธรรมตรขอลาขา้าพเจ้า กลับคืนมาอยู่กับหลวงปู่ตต่าย้ำเหลือแต่ตาพระเจ้าองเดียวจำรรษาที่นั่นที่ดอนกระพุงติณดงหม้อตอมนั่นเองจำภาษาองค์เดียวในมนาษา น, นั่นไม่มีตาขาวตาพระเจ้าองค์เดียวอ่าอ่าศั่ชามบา้านตามหลังพาเรือนเลี้ยงชีวิตเอาเป็นคนจนเขาไปโยมยัอ่าเขามีศรัทธามาก เขาเป็นคนอดคนอยากหาเช่ากินขํามที่ไปอยู่ตินดงมะทองดอนกระพุงนั่นแหละสําคัญมากเพราะที่นั่นก็คือว่าเป็นที่เจ็ดขวางดีมันมากมันเป็นทุง่งว่างเวงดูริมแม่น้ำสงรามมาเขาเรียกว่าทุง่งน้องอีดอนและทุ่งโซ่ทุ่งโซ่นี่เขาบอเป็นบ้านโซ่แต่ก่อนเป็นคนชาวโซ่ชาวป่าเขามาอยู่นั่นตั้งแต่แตั้งไหนไม่ทราบ ในสมัยนั้นที่ในสมัยที่ข้าพเจ้าไปอยู่นั้นเป็นทุ่งว่างเว้งแต่ก็มีลักษณะที่ให้สังเกตมีต้นไม้เช่นต้นมะเฟืยงหรือต้นมะม่วงยังมีปรากฏอยู่แสดงว่าต้องเป็นบ้านเก่าแต่ก็เป็นที่เขายาเกรงก็ถือว่าที่เจ็ดขว่าเมื่อข้าพเจ้าไปจ้ำสาที่นั่นนะเขาว่าอยู่ไม่ได้ เพราะทีนี่มันเจ็บมันขวงสีมันดุมันโกรธมากถ้าไปไปอยู่ผีมันทําอันตรายให้คนเจ็บปว่วยและตายเขาว่ายัางไรข้าพุทเจ้าก็ตก อ, อยู่เพราะตั้งใจว่าจะอยู่จำปาศ่ะที่นี่เมื่ออยู่ไปกลางปาศได้เกิดนิมิตภาพขึ้นะออนะเกิดปากดไมนิมิตความฝันว่าพวกผีโศตั้งหลายนั่นแหลอะอ่าตาคันยกพักพวกมาเป็นผู้ฝูงเรอพืน ถือหอกถือดับจะมาฆ่ามาปัน่นมายิงตาพระเจ้าให้ตายเมื่อมาถึงขออเขาเอาปืนยิงเลยยิงตาพรเจ้ายิงอะไรก็ไม่ออกเอาหอกทุ่มแทงใส่ก็ไม่ เ, เมข้าเอามีดเอาข้าวันก็ไม่เข้าทำอะไรอย่างไรจนสุดความสมัยเขาก็ไม่เขา้าทีนี้เขาก็เลยหัวหน้าผีก็เลยประกาศบริวารผีว่าพวกเรา มายอมท่านเสียทำอะไรท่านไม่ได้เลยพากันแต่งขันดอกไม้มาสมบัติ ม, มาคารวะตตาประจับนยอมอ่อนยอม่าพระจับดังนี้ในมิตรความปานนั้นแต่นั้นในสมายนี่แทบนั้นจึงทำนาได้และตั้งบ้านได้ไม่เป็นไรพวกประชาชนคนอ ด, อดอยากๆไม่มีไรไม่นานเึงได้พากัน ได้จับจองที่นั้นเป็นไรเป็นนาทำข้าวกล้าบริบูรณ์าะเขาได้ขายข้าวขายนา้ำเป็นคนมั่งทั้งสมบูรณ์พอสมควรเมื่อพรรษาแล้วในพรรษาที่สิบนั่นแหละเมื่อพรรษาแล้วอ้าพระเจ้าได้ปา ร, ปราบกับญาติโยงแถวนั้นจับเข้าไปอยู่ในดงมอดทองเพราะได้ยินข่าวว่าดงมอดทองไม่ทาใหญ่ อยู่มากและก็ไม่รานเห็นสวยงามใต่ไม้ถามญายมญา ย, ย ม, มาใช่ผมเคยเห็นก็เลยให้โยมเขาพาไปโยมพาไ ป, าไปเดินจากที่จำปรรษาตั้งแต่ฉันเสร็จเดินตลอดวันมันรกพวกโยมกระถางทา ง, ทางไปก่อนจนตลอดท่านจึงถึงท่า เมื่อถึงทำแล้วก็ตรวจดูก็น่าอยู่จริงให้ญาติโจมตา่างแต่อือหลังทำที่มันรกมีเครือเตาอตะวันปกุมอยู่เลยพักนอนทนี่นั่นตอนขึ้มามีเสือใหญ่ในดงมันเสือมากช้างมากมีเสือใหญ่มาร้องมากลางกูเข็นกำรามใส่น ในขั้นแรกคือสุขดข้าพเจ้าได้ยินเสียงเสือที่ลงมาทอ ง, ม, องมันร้องเสือนี่มันร้องที่แรกรองอย่างนี้นะเท่าที่จําได้นะเสือมันร้องเสือใหญ่มันร้องขึ้นที่แรกตอนหัว่ํามันร้องว่ามุดเออมุดเออมันก็เสียงวัวมุดเออมุดเอออาตมาได้ยินอย่างนี้เลยเลยถามยม อยยมทำไมวัวมาล่องที่นี่โยมเลยว่าไม่ใช่วัวครับอะไรเสือใหญ่ครับแอะเสือทำไมมันล่องเหมือนบวนอ่ามันล่องอย่างนี้แหละครับที่แรกะสำหรับสัตว์อันนี้มันห ล, ล, ลอกสัตว์ป่ากินหลอกวัวกินถ้ามันจะหลอกสัตว์ไหนกินมันต้องล่องเสียงสัตว์ทันมีโยมบักผูกเขาฉลาดในปา่าพูกเขาฉลาดในในสัตว์ปา่า ถ้ามันจะหลอกว่ากินมันก็ร้องเหมือนวัวว่าหุดอืหุดอืถ้ามันจะหลอกหมามันก็เห่าเมันหมามาอย่างนั้นนะถ้ามันจะหลอกควงมันก็ร้องเหมือนกวงคริสคริสคนี่ถ้ามันจะหลอกไก่กินมันก็ขันเหมือนไก่เลยนะนี่ยมยมพูดให้ฟังมันมีหลายวิธีสาหรับเสืออ่าทีนี้ บางทีมันก็เสียงเหมือนคนเบ้ากันคุมมรๆไปอโอ้มันมีหลายวิธีจึงรู้จักอ่าผู้บายของสัตว์ป่ามันเป็นยั ง, งัไนทีนี้เมื่อเวลาตอนเดึกมาเสียงที่มันร้องหูอื้อหอื้อหัอหายไปตาเนี่ยมันออกเสียงเบาอือเบาอื้อตาเราฟังฝืนๆก็เมาอื้ ฟังโดยชัดๆอ้าวอืออ้าอือตลอดขึ้นเลยยังรุ่งเสียงไม่มีหลบไม่มีแหวกนะเสียงดีขนาดจัดอันนี้อ่าวอืออ้าอือตลอดขึ้นเลยนะข้าพเจ้าก็เดินยกอมฟังอยู่ที่นั่นฟังชินไปช้นมาก็สนุกดีไม่มีกลัวเลยอ่ะอยากใครมันมาลองทุกวันทุกคืนนั่นแหละเพราะมันเพราะดีเสียงจัดป่า เข้าไปดงบัวทองระหว่างฤ ด, ดูแรกนั้นพวกญาติโยมเขาหยับตั้งบ้านเลยไปที่ที่ตังบ้านเนี่ยเขาเขาก็ได้ถามั้งบ้านแล้วก็ได้ยินเสียกันไปแต่หลายแห่งคนทางหลายก็อากันทยอยกันมาดูที่ตังบ้านเห็นว่าสิ่ดงมัทองเป็นตื่ทําเลยทำมาให้จินสะดวกพวกประชาชนรลยอพยพเขา้าไปดู ตั้งหมู่บ้านเป็นปนุกแผ่นหนาในที่แรกมีตะกุนจนต้งนั้นเมื่อเขาตั้งบ้านเป็นปนุกแผ่นแนาแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นผู้เป็นหลักปนันฐานมีตับทำบัติพอทุนไม่ไม่จนแนนจปรนายพรรษาที่สิบเอ็ดจำลองมาทองเป็นพอต่อสองพันสี่รอยเก้าสิหกนารรษาที่ส1เอ็ดนั้นอาญาโยมถามถามตัดทางจำลองมาทองจากวัน ไมยบรรดูตัดผ่านดงมะทอง3ามเดินถึงสำเร็จรถเรียนเดินได้สะดกจนตลอดปัจจุบันนี้พัญษาแรกคือมาจาดงมะทองพอสองพันสีรอยกอชูหกมีพระสององค์เน้นหนึ่งที่จำมัจจาร่วมด้วยส่วนพอสองพันสรอยเก้าทีเจ็ดป็นปัญหาข้าไปเจ้าสี่สิบสองสั้น พระอาจารย์หลวงปู่ขาวอนารายโดได้มาจําร่วมด้วยในวันฉานั้นและในวันฉานั้นก็ได้ปากันทำความปากควาเพลี่ยนพารบความปักควาเพลี่ยนโดยเต็มความสมาธิของตนในวันษานั้นมีมูมช้างแหละตัดฝ่านานาชนิดมีช้างเข้ามาที่วัดกลางวันบางวันก็มีเสือเข้ามาสร้างขึ้นมีเสือตัดกันอืมอยู่ตาม ติดกับก่อนเห็นเสือใหญ่กติรรมมาทองสมัยนั้นมีทางเสือมากและกูใหญ่มากซึ่งก็เคยมาใกลกันบ่อยๆเช่นวันหนึ่งกำลังฟังปฏิโมกอยู่เสือใหญ่ตาคันมากัดดูที่ ต, ตาก่อนเห็นตาคันฟังเสือกัดกันอยู่อย่างนั้นแล้เมื่อออกปรรษาที่12ข้าวเจ้าก็ได้เดินเวกมาทางกูว่าสวนหลวงกูขาว เมื่อออกปรรษาแล้ว ท, บบ ท, นนท่านกกลับบัญชูมคนป่าเก่าเช่นเดิมอาปเจ้าได้มาเทียวเว่ยวเ ว, วกูว่าบัดตัดถึงตรงทองไม่เห็นหลวงปู่เภาหลวงปู่เภากับบนันป่าเก่าชุมพลแล้วและในวันศัตย์ที่สิามเด็กตาปเจ้าประจำพรรษาที่หลวงมอทองกับหลวงปู่คำไอ้ซึ่งเป็นคนจังใหม่เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มันนั่นเองเมื่อออกพรรษาแล้ว พอได้ลําลาการหาเที่ยวอิเวกส่วนข้าพเจ้าประเดินตามมาอุบวยในระยะนี้หลวงปู่ขาวได้ประจำพรรษาที่บ้านเรื่อมเมืองอุดรทิศตะวันตกอุดรเพราะท่านจะคุณธรรมเจดีปันกุโรจุลสมัยนั้นอาราธนาสมุนท่านให้ไปสรงศรัทธาบ้านเรื่อมท่านจึงได้ไปจำพรรษาที่นั่นเมื่อออกปัรษาแล้ว ่านกลยแต่ญาติโยมติดตามข้าพเจ้าถึงคูวรให้ข้าเจ้าไปรับผ่านมารับจำพัรษาที่คูวรรวมกันไม่พรรษาที่สี่ใส่พาพันมาจำพรรษาที่คูวข้าพเจ้าได้รับเอาหวงปูขาวที่อุดร ม, มาอาไปคูวเลยมาจำพัรสารวมกันที่คู่วรไม่พรรษาที่สีตรดก็วันจุนกระจกมีพระเ น, นรวมกันทั้งหมดสิบสามองค์ ในวัาษานั่นสมัยนั่นวัว้วางเสือมีมากอืมเข้ามามบ่อยๆในเจดวัตและในสมัยนั้นก็มีเรื่องาราวแปลกๆเกิดขึ้นอ่ามีสัตว์ป่าชานิดมีพวก ป, ปีศาวิตมันดุงยากมาลกวนพัแน่นจะนอนอ่ามันก็มาปลุกให้ทำสิมภากิมเพียน บางองค์ไปดึงขาก็มีบางองค์ไปจับขาก็มีบุกให้เตือนตากับปากกุนเปียนและพระเนนชอบกลวยกันมากในบัรดานั้นจะเป็นเหตุอากาศหรืออะไรก็ไม่ทราบตั้งๆเสือกัดตาเขามากเมื่อเป็นทนี่หลวงปู่ขาวอนารยโยเต็งให้ข้าไปเจานนำเรื่องนี้ไปวิจารณาดูข้าเจาพิจารณาดูในความ เป็นอัดเป็นว่าเยสันตาแปลว่าผู้สงบไม่มีความทุกข์ความเดร้อนความทุกข์ความเดร้อนจินแหลงแกงใจภัยอันตรายไม่มีแก่ผู้สงบนี่ตามเจ้าแปลได้วันใหม่จึงไปนมัตตการกลับเรียนท่านท่านก็เลยถามอ่านหลวงปู่ถามว่าใดความน้หม่ตอบกล่ว่าใดความว่าอย่างไรท่านว่าก็เลย เรียนให้ทานตาหวเยสันตาแปล ว, ว่าผู้สงบไม่มีทุกข์ไปเดือดร้อนความเดือร้อนความทุกข์ไม่มีแก่ผู้สงบว่าดังนี้ข้าเจาแะแต่ถวายท่านท่านแปลว่าจริงจริงถูกมากถูกมากอืมท่านก็เลยยกบารี็นว่านัณถิสันติกลังสุขสมทุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีดังนี้ผู้มีความสงบแล้วไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรเลย ความทุกข์กำเดือด้อนไม่มีแก่ผูกสงบเจงว่าทุกข์ยิ่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีลังนี้จริงทีเดียวไม่ผิดนั่นว่าอย่างนั้นและในวันตา4ี่ทุกทีจำตดัดคอผู้วาระและมีแม่ชีซึ่งเป็นลูกฐานของหลวงผูเขาวไปอยู่ด้วยและแม่ชีคนหนึ่งก็ไปเสียชีวิตมรณาภาพที่นั้นชื่อว่าแม่หลอดไปตายที่นั้นเผลศพที่นัน อืมและที่นับอาการและที่วางเวงดีที่สงบสงัดดีมากที่เที่ยววิเวกดีมากตอนกลางคืนเดือนแจ้งป่าเป็นไปหาวิเวกตามภารันหินแล้วตอนเศร้ารุ่งสว่างจึงพระกันกับมาวัดแล้วไปบินตบาา ท, ทําอยู่อย่างนี้อ่าสวงปู่ท่านพาหมู่คณะลุกติดไปอืมและคณะที่จัมมัตา อยู่ตัดปอบัวนั้นบังเงินข้าพเจ้าได้เกิดเป็นโรคชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าโรคฝีลิดคลิดหรือผีมะดําลิดฝีชนิดนี้ร้าแรงมากปวดปวดปวดออกร้อนอออก่อร้อนข้าพเจ้านอนไม่หลับวันขนาดหนึ่งที่มันปวดมันออกร้อนมากนอนมาดับสามวันสามคืน ตอนกลง้งคึนกาไปจ้านั่งภาวนาอยู่เตียงพิงหมอนอยู่แล้วก็ยกมือไหวมือนี่วางลงไม่ได้ต้องยกเพราะมันออกตอนแล้วปวดนั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นทำลังจะเพิ่เพิ่มไ ป, ปรากฏในใจเป็นเดเมรมีโนมแกคนหนึ่งขึ้นไปหาแล้วถามว่าท่านเป็นอะไรไม่ตอบก็ว่า อาตามาเป็นไปยังวดัดําเขาเลยดูที่นิ้วเมียมือหรือโป้มือเขาเลยเปล่าให้เมื่อเขาเปลก็เย็นเลยแล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้เจ้ายามาใส่ให้ก็จะหายรูปภาพนั้นก็เลยหายไปข้าวเจ้าก็เลยตื่นขึ้นมองดูไม่เห็นทีนี่ตอนเช้านีอมชาวบ้านคนหนึ่งเขาเป็นเจ้ากี จำชาวบ้านคนนั้น่อว่าผู้ถันเขาเป็นเจา้าผีที่ผัวเป็นผู้เลี้ยงผีเป็นหันวหน้าเจา้าเลี้ยงผีเอาเลยขึ้นไปขันขึ้นไปไปหาข้าไปเจา้าไปดูที่ฝีหัวแม่มือข้าไปเจา้าเขาก็เลยรีบเข้าป่าไปเอาราดยามามาผล ใ, ใส่ยานั้นก็เลยหายจริงๆและยานล้วข้าไปเจ้าตามกว่า ราดตาดวนตนน้นราดตาดวนเกลือก็ได้เป็นยาแก้สีพิษสีมอดนำนี่พากันจำใบได้ผลดีที่ตาปเจ้าเป็นมาแล้วและได้ใส่มาแล้วจากนั้นเมื่อออกมันตายแล้วก็ได้พากันเลิกปลาส่วนลุงขูขาวนารโยก็กลับํำนักเดิมคือบ้านก้าวเนื่องด้วย ญาติโยมลูกหลกานต่นมานี่มณฑ์ให้กลับคืนส่วนข้าพรเจ้าได้รับที่มนฑ์ตัางจังหวัดนครกังกันประเทศลาวให้ไปทำเช้าพระนักขิตตกพระอาจารย์อ่อนสีข้าเจ้าก็เลยเดินทางไปลงจากคูบัวเดินทางไปตามฝั่งแม่น้ำคงปานบุงการคนผู้สายและไปข้ามแม่น้ำคงที่ท่าเบือจังหวัดหนองคายแล้วก็ไปถุกตบท่านสาาจาร์อ่อนสีเจ็บจากนั้น ก็พากันเดินในเวกขึ้นหลางรูเขาวยประเจตนาบพอประมาณแล้วก็เดินทางกับ ป, ประเทศไทยม่งหน้ามาถูกลัวเมื่อมาถึงครัวแล้วพระใิเวกควรักวกพอสมควนแล้วกสภากันเดินทางกลับมาจํารรษาที่ลงมอทองเช่นเดิมในพรรษาที่สิบห้าจำที่ลงมอทองนีกร่วมกับท่านพระอาจารย์สอนอ่าในพรรษานี้ต้นพรรษา ไล่พาพันอธิษฐานมานอนอยู่สองเดือนทำคุณมค่าคุณเพียรเด็ดเดี่ยวกางวันก็พ า, กาพันธเอากิ๊บข้ำกลางกระรานเห็นแล้วอาอ า, า, า, าสนะปูบนกิ๊บนั่งภาวนาสักผลตลอดวันนะถ้าตลอดตล อ, อดคืนก็มีภาวนาจิตสงบตอี <c oughs> ในวันซานั้นชาพระเจ้าเปิดอาพาธไข้หนักถึงตาวันเอาหมอมาช่วจ้าจยาคำโลกประทะกัน เปิดาอเกียนรากแสบบรรดาายเมื่อรากออกหมดแล้วเกิดธาตุวิประดิดตาลิงตาลายไปตา ม, มื่อจำเมัวไปสวินงสวายไปแล้วก็พูดไม่ได้เรื่องไม่รู้ภาษาพูดมาลรงโงเจไปแลอ่า <c oughs> ชั่วขณะถึงก็เลยสงบไม่บนใจแค่ผ้านั่นเองฆ้ากันปล ร, รบปลุกปั่เปียนเด็ดเดี่ยวอืม เมื่อออกพรรษาแล้วตามกบากันทย่อยหาเวทไปในจึงต่างหลวง้าพเจ้ากลับมาธรรมจารย์หลวงปู่เทาแปดฟังเทศน์ฟังธรรมตั้นตามเคยเมือเ่อไทยเข้าพรรษาตาเจ้ า, า, ากับท่านปรัชญ์เพีงคือท่านพระอาจารย์เพีงซึ่งเป็นจ้าวาัดวัดธรรมเกล็นปัจจุบันนี้ได้กลับมาจากพรรษาที่หลวงมาทองอยู่ ในพรรษาที่สิบหกในพรรษาที่สิหกมีพระจำรรษารวมกันสี่องค์ปากันทำกุภากษ์กุมเทียนติดองมาตองสบายดีอากาศดีและจัตวาคุ้มเคยสนิทคิดเชื่อกับพระดีมากไม่เป็นขัดขึ้นแกกันอะกันในพรรษาที่สิบกท่านอากันทำกุพากษ์กุมเทียนจนเต็มความสำนึกของตนไม่เกี่ยวแก่กันก็สร้างใดๆต่างหมด เมื่ อ, อ, อกคุณตาแล้วท่านอาจารย์ประัดเปงทําองเป็นเลยกลับมาหาไปหาหลวงปู่ขาวหลวง้าพรเจ้าก็กลับตามมาฟังเทศฟังธรรมท่านและสาราท่านสเสร็จไปวิเวกที่ตมพิสมุขตั้มจันองเดียวไปที่จังหวัดน็อกคายไปโรงเรือที่จังหวัดน็อกคายอ่ะมาขึ้นเรือไปขึ้นเรือจิมบุรีแล้วก็เข้าไปถึงหมู่บ้านหนึ่งบ้านใหม้น้องเงินดํากล้ ญาติโ ย, ยมพาไปดูสถานที่ทำจันทรญาติโ ย, ยมตกลงพาไปดูในวันแรกเมื่อเขาพาไปสํารวจ ด, ดูแล้วเห็นว่าที่ทำจันรเป็นที่เหมาะสมดีจึงให้เขาปลูกด้านให้เล็กแต่เขาบอกว่าจากทาจันไปถึงบ้านหนึ่งมีสามน้ำตาล ก, กันประมาณสักร้อยเส้นแต่ทางที่จะเป็นสบัดต้องไปตามด่านหินหรือไปตามทางช่าง กอจะถึงทางเทียนของคนมันก่อไกลประมาณสักสี่สิบเซนต้อเดินไปตามทางช้างเขาบอกอย่างนั้นแล้วเขาไปปลูกกล้านเสร็จเมื่อเขาปลูกกล้านเสร็จแล้วมียองคนหนึ่งเรียกไฟเฟย์ทาเสือแมรุอ่อนอยู่ใกล้ๆท่านที่ตาไปเจ้าจะอยู่ด้านประมาณห่างกันถึงเซนย้ำเลยว่านี่เป็นท่านเสือมันนอนทุกวันทุกวัน ้าพระเจ้าได้ยินเออเสือก็จัเก็เสือก็จัดเราก็จัดดูรวมกันมันไม่เป็นไรเมื่อทกคำยมโคกับกลับบ้านทุกคนยังแต่ตาพระเจ้าวงเดียวอยู่ที่นั้นเมื่อตอนทุกคำเสือกมาร้องมาฟังใส่อยู่แถวนั้นแหละบางที่มันก็นมากใกล้แต่ไม่มองเห็นตัวมันมันากินก็นตามอาสาของจัดบานทุจันนี่สาคัญมาก ไปอยู่ที่แรกในกลางคืนแตกเหมือนกันบางคืนคล้ายกับเสียงคนเดินพูดกันไปมาตามโบราณเห็นบางวันวันสว่างได้ยินเสียงไหว้พระตี่วัดก็มีดังนี้ก็มีเพราะที่สาคัญมีวัดถุโบราณเช่นพระโบราณที่ฝังอยู่ในดินมาเราไรด้ไปด้วยต้ำฝุดเห็นพ่าัก เห็นตัวพระเห็นแสนของพระก็มีอืมเป็นเป็นที่สําคัญมากนี่ก็มีงูใหญ่มากธรรมจันทร์นี่สวนสร้างเสือก็มีเพราะในสมัยนั้นที่ธรามจันท์เป็นที่อยู่ของพวกสัตป่าไม่มีหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านมากทีเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าไปอยู่ข้างแรกต้องอาศัยเย็นสบาดกับพวกเจ้าขาซึ่งเขาขอบยกลงไปอยู่นา ทางจากทำจันประมาณร้อยเส้นเดินทางไปตามอืมา ร, รานเห็นแหละทางจ้างกว่าจะถึงการเพียนก็ตั้งหลายเส้นทีเดียวบางวันก็เจอเมาั้างไปทาง ท, ทางบางวันก็เจอพวกนี้ก็มีดังนี่แหละชีวิตของพระผู้ดงกรรมฐานเพียงต่อความเป็นคกต่ายจริงๆไม่เห็นต่อกต่ายแม่นแก่ชีวิต เส้นคําเป็นของมีคุณค่ามากกว่าชีวิตเป็นชีวิตวเป็นของสิ่งต่างฝากทำและไปบินตบบาทที่บ้านค่านั่นบ้าโดยมากการจะไปสัญบานเขาต้องทางไกลกว่าจะกลับมาก็าสายที่อยู่ทาใจานนั่นภาวนาก็ดีอากาศพอดีอยู่คนเดียวในฤดูแดงในทีปรรษาที่เจ็ดในฤดูแดงที่อยู่องค์เดียวนั่นแหละ ที่สำจันเกิดตาพาดใกล้ป่าอาการหนักดวงเดียวจุกยาไม่มีฉันลอยตามธรรมชาติของมันเลยทีเดียวพอเวลาบ่ายตามวันให้จับสั่นขึ้นเวลาพบคำใข่ฝัายท่านหายแล้วก็ไปตองกระน้ำที่ตีนเ ข, าข่าก่จะถึงที่พักก็เมิด ไห้รประมาณหนึ่งเดือนไม่มียาสันเลยเพราะอยู่องเดียวที่นี้ในระหวา่างที่ยังไข่อยู่นั่นแหละวันหนึ่งข้าพเจ้าแต่นอนภาวนากำหนดจิตอยู่กำลังจะเขิ่มเพิ่มไปจะหลับแหลไม่หลับแหล่อยู่ในระหวา่างครึ่งกลางของความหลับบางและไม่หลับบา้างเคยได้ยังไม่ทราบในความฝันนั่นแหละ ปรากฏว่าโยมบิดาของข้าพเจ้าที่อันมรณะภาพกระเดวแต่ข้าพเจ้ายังอายุ16ปีโยมบิดานี้ท่านเป็นหมอยาพื้นบ้านท่านหลอกปู่ชาวบ้านชาวบ้านเขานิยมมากแต่ปรากฏในนิมิตภาพกระนั้นว่าโยมบิดานั่นแหละได้ตายของยา มาหาข้าพเจ้าแต่ถามข้าพเจ้าว่าคุณลูกเป็นอะไรข้าพเจ้าได้ตอบยมิดาว่าโอยไข้ปามาแล้วหนึ่งเดือนยังไม่หายมันมียากินนี่ตอบทุกท่า ด, ดา